นิ่งๆไม่เคลื่อนไหวไปมาทางไหนใจทำสมาธิภาวนาผู้ใดไม่สนใจทำสมาธิภาวนาผู้นั้นได้ชื่อว่าไม่สนใจในตัวเอง ปล่อยตัวเองให้เป็นไปตามยถากรรมบางคนก็ว่าภาวนาเป็นธรรมอันลึกซึ้งยากแก่คน ท, ทั่วไปจะทำได้ผู้เข้าใจเช่นนั้น ก็ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่ไม่เป็นไปตามความจริงอันความจริงแล้วการฝึกขาดภาวนามันก็เป็นการฝึกให้รู้จักตนของตนนั่นแหละเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยมันไม่รู้จักตัว มันไม่รู้ว่าตนเป็นมาอย่างไรก่อนที่จะมาเกิดในโลกนี้มาอย่างไรมีเหตุมีปัจจัยเป็นมาอย่างไรเกิดมามีโลกมีนานมาแล้วอย่างมันเป็นอย่างไรมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์เกิดมาแล้ว ไม่ต้องฝึกขนอบรมอะไรจิตใจมันก็ดีขึ้นกิเลสมันก็เบาบางออกไปอย่างนั้นเหรอ<ม>อันนี้มันเป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องวินิจฉัยตัวเองเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรถือว่าเป็นเรื่องลำบากการภาวนาหรือเป็นเรื่องไม่จำเป็น ไม่ควรจะเห็นไปอย่างนั้นต้องเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องลำบากถ้าคนเรานี่ไม่ลำบากก่อนมันก็ไม่ได้ดีไม่อดไม่ทนทมความดีอย่างนี้มันจะได้ดีมาแต่ไหนอะ คนผู้ที่ได้ดีทั้งหลายในโลกอันนี้ล้นวนแต่ลงมือทําทั้งนั้นนะทาความดีออืผู้โยครองเลื่อนก็นทําความดีตามภาวะของผู้ครองเลื่อนผู้เป็นนักบวชก็ตั้งใจทําความดีให้เต็มภาวะของความเป็นนักบวชมันก็ถึงจะ ดีได้เพราะวาความดีมันเกิดจากการกระทำไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วมันดีขึ้นมาเองไม่มีอย่างคนเรานี่นะในสังเกตดูสิเป็นผู้เจริญด้วยลาบยศเสรเสริส น, ส น, สนต่างหมดเนี่ยมันล้วนตั้งแต่ได้ ผ่านการฝึกตนมาท้งนั้นเลยนวดแต่มีครูมีอาจารย์เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แล้วก็ประกอบกับบุญกุศลความดีที่พวกนั้นทำมาแต่ก่อนเป็นนิสัยปัจจัยติดตามมาสมทบ ก, กันเข้าก็เลยเป็นผู้เจริญรุ่งเรือง ด้วยลาบยศสนเสริญลนความสุขกายสบายใจ <c oughs> นี่มันเหตุปัจจัยของชีวิตมันเป็นมาอย่างนี้ให้คพื่นพากันเข้าใจแต่ทีนี้จะไปเรียนตวิชาความรู้ในทางโลกให้เชี่ยวชาญแต่ในทางโลกเท่านั้น มันก็ยังไม่พอเพราะความรู้ในทางโลกนั้นมันก็ชี้แนวทางให้ได้ทามาหาเลี้ยงชีพเลี้ยงอัตภาพนี้ไปชั่วชีวิตหนึ่งเท่านั้นเองแล้วความรู้เหล่านั้นก็ไม่เป็นอุบายที่จะละกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้ได้ ละไม่ได้ความรู้ในทางโลกนะมันจะไปในทางสะสมกิเลสค่ำจะด้วยความรู้ในทางโลกนะั้นมันส่งเสริมให้สนุกส น, นั้นให้เพลิดเพลินเจริญใจอยู่ในโลกอันนี้พยายามปรุงแต่งโลกอันนี้ให้สวยงามขึ้นให้หน่าอยู่น่าอาศัยเมื่อกุคคไม่รู้แจ้งแล้วก็ไม่รู้เท่าก็ หลงติดหลงติดการปรุงการแต่งนี่แหละปรุงแต่งให้ดีให้งามขึ้นให้สะดวกสบายขึ้นอย่างนี้นะผู้เกิดมาพบเข้าอย่างนี้นึกว่าเป็นสวรรค์เมืองมนุษย์ก็ดื่นสมยินดีหลงเมาอยู่นันไม่หวนนึกถึงว่า ตนนั้นจะได้อยู่อาศัยในโลกนี้ไปนานเท่าไหร่ชีวิตนี้มีขอบเขตหรือไม่ไม่ได้คิดไม่ได้คำนึงนั่นแหลเพราะฉะนั้นถึงได้เพลิดเพลินมัวเมาไปในความสุขสนุกสนานชั่วคราวความสะดวกสบายชั่วคราวเหล่านั้นผูกเป็นนักบวชเมื่อไปเห็น คารืหัดเขาเพลิดเพลินมัวเมาสนุกสนานอย่างนั้นก็ชอบใจแล้ววันนี้นะนนเมื่อห้ามใจพุต้นไม่ได้กรรมาฐานไม่ปรากฏมันจำเป็นก็ต้องดิ้นออกไปผสมโรงกับเขานี่แหละความไม่รู้แจ้งความไม่ฝึกจิตใจมีแต่ความรู้ในทางโลกอย่างเดียว การฝึกใจการภาวนามีสติสมัมปชัญญะโน้มเข้ามาในกายในจิตรึกเข้ามาหากายหาจิตอันนี้นี่ท่านเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้มุง่งรู้แจ้งในทางธรรมเพราะว่าธรรมนั่นอยู่ที่ไหนลนะ่ะมีรูปร่างอย่างไรก็ไม่รูปร่างอย่างคนเรานี่แหละ มีอวัยวะน้อยใหญ่อย่างนี้แหละที่ท่านเรียกว่ารูปประธรรมนามธรรมก็คือความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในใจนั่นแหละนั่นแหละท่านเรียกว่านามธรรมแปลว่าธรรมอันไม่มีรูปร่างมีแต่ชื่อเช่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้นะ มันก็มีแต่ชื่อแล้วเราจะเราจะไปหาตัวตนหารูปร่างที่ไหนไม่พบหรอกไม่มีแต่ว่ามีแต่ชื่อมันทึงมีอิทธิพลเช่นสุขเวทนาทุกขเวทนาอย่างนี้นะเมื่อมันเกิดขึ้นในร่างกายของผู้ใดแล้วเช่นสุขเวทนาเกิดขึ้นก็ทำให้กายนี่ก็ะชุ่มกาซสวย ทำให้ใจเบิกบานผ่องใสถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ทำให้ร่างกายนี่กระซับกระสายกระวนกระวายแม้ใจก็กระวนกระวายไปเหมือนกันนะเมื่อไม่รู้แจ้งนะั่นแหละอิทธิพลของเวทนานะมันขนาดไหนเราทำไมถึงจะรู้ไม่ได้สัญญามันก็มีหน้าที่ จำไม้จำรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆทั้งที่มีวิญญาณคลองทั้งที่ไม่มีวิญญาณคลองอสัญญาก็ไปจำไว้หมดจำสีเขียวสีขาวสีดำสีแดงต่างๆหนูนี้นะมันร้วนแต่เป็นเรื่องของสัญญาทั้งนั้นตลอดถึงจำบุญจำบาป ไปนู่นอืมก็สัญญาทั้งนั้นแหละสังขารก็คือสภาพที่ปรุงแต่งจิตนี่เนะี่ยให้คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีไม่ชั่วบ้างท่านเรียกว่าสังขารทรำแบบนี้เนะ่ยสังขารโลกก็ได้แก่อุปทินนกะสังขารสังขารที่มีใจครอง เช่นคนสัตว์ต้นไม้คนและสัตว์นี่แหละเรียกว่าสังขารที่มีใจครองอนุปทินอากาสังขารสังขารที่ไม่มีใจครองได้แก่ต้นไม้ใบหญ้าภูเขาหินทรายกรวดแม่น้ำอะไรหมดนี่นะนี่เรียกว่าสังขารที่ไม่มีใจครอง มันมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชมกันอยู่เท่านั้นแต่มันไม่มีจิตวิญญาณไปครองอาศัยเหมือนอย่างคนและสัตว์แต่ว่าอันมีตัวมแมลงไปอาศัยอยู่ตามต้นไม้ตามดินตามอะไรมูนั้นอันนั้นมันก็เป็นตัวของมันอยู่แล้วมันมันไม่ใช่ไปอาศัยอยู่ต้นไม้นั้นอันจิตวิญญาณไม่มี มันเป็นตัวขึ้นมาแลวจึงได้อาศัยอยู่ต้นไม้นั้นหรืออาศัยอยู่ดินอย่างนี้วิญญาณก็ได้แก่ความรู้แจ้งทางตาทางหูทางจกมกูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่ให้สันนิษฐานดูวิญญาณเหล่านี้มันก็ออกไปจากใจนี้เองถ้าไม่มีใจนี้วิญญาณนี้ก็ไม่มีเลย ก็สังเกตดูคนตายเป็นไงล่ะเนีย่ยนะคนตายจิตวิญญาณมันถอนออกจากร่างนี้ไปแล้วตาก็ไม่รู้สึกอะไรเลยหูก็ไม่รู้สึกต่อเสียงจมูกก็ไม่รู้สึกต่อกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมลิ้นก็ไม่รู้จักรู้ไม่รู้สึกต่อรสหวานรสเค็มรสขมรสอะไรกับอะไรไม่รู้ทั้งนั้นเลยอื อวัยวะร่างกายทุกส่วนไม่ยอมรับรู้ความเจ็บความปวดความร้อนความหนาวอะไรเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นถ้าจิตวิญญาณนี่ออกจากร่างนี้แล้วนะในเมื่อจิตวิญญาณยังอาศัยอยู่ในร่างอันนี้จิตกระแสของจิตนี่แหละมันแล่นไปอาศัยอยู่ตามตาตามหูตามจมูกตามริ้น ตามอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ต่างๆหมู่เนี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อมีสัมผัสอะไรเมื่อมีอะไรมาถูกต้องเขาจิตมันจึงรู้ทันทีเลยเพราะมันเนื่องกันนะวิญญาณตาเป็นต้นเหล่านี้มันเนื่องอยู่กับจิ ต, ตนุน้นนี่เมื่อเราทำใจให้ตั้งมั่นลงไปแล้วอย่างนี้นะ ก็พึ่งเพ่งพิจารณาดูรูก ป, ประธรรมนามธรรมเหล่านี้ให้มันรู้มันเห็นตามความเป็นจริงลูก ป, ปรธรรมนามธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแปรปรวนแตกดับไปไม่ยั่งยืนถาวร ท, ทนทานอะไรเลยไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใด เวลามันตั้งอยู่นี่มันก็ไม่อยู่นิ่งๆอะ่ะมันก็แปรพันวันไว้ไปมากระทบกระทั่งกับดวงจิตนี่อยู่อย่างนั้นจิตนี่เมื่อไม่รู้เท่ากับพลอยเป็นทุกข์เดือดร้อนไปตามร่างกายสังขาร น, นี่นี่แหละคําว่าเรื่องของความทุกข์เราเป็นเรื่องความไม่สงบเป็นเรื่องของความวันไว้ถ้าปล่อยให้ใจวันไว้ใจก็ไม่สบาย เป็นทุกข์ถ้าฝึกใจนี้ให้ตั้งมั่นลงไปด้วยดีเข้มแข็งด้วยดีแล้วไม่ยึดถือรูปธรรมนามธรรมอันนี้ว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอย่างนี้นะจิตนี้ก็ไม่เป็นทุกข์แม้จะอาศัยอยู่ในสภาวะที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นผันวันไว้อย่างไรก็ตาม เมื่อจิตนี้รู้แจ้งอย่างว่านี่แล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์ร่างกายวันไหวไปจิตก็ไม่วันไหวไปตามจิตก็ตั้งมั่นอยู่โดยลําพังนี่แหละการฝึกจิตนะมันดีอย่างนี้ฝึกให้มันเข้มแข็งให้มันตั้งมั่นแล้วมันก็มีปัญญาแบบนี้นะออมันก็รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์รู้แจ้ง ในสังขาญ น, น้ำรูปต่างๆหรือว่านอกน้ำนอกรูปนี่ออกไปก็รู้แจ้งไปหมดเลยเป็นงั้นรู้ตามความเป็นจริงอันรู้ไม่จริงนั่นหมายความว่ารู้ไปตามสมมุติของโลกเฉยๆโลกเขาสมมุติว่าหญิงว่าชายสมมุติว่าเงินว่าทองอืม เป็นต้นเหล่านี้ก็สมมุติว่าเงินทองของมีค่าหน้าต้องการหน้าปรารถนาะอย่างนี้นะกดดิ้นล้นอยากได้แบบนี้นะนั่นแี่ยอันนี้มันอยากได้ไม่ใช่อยากได้ด้วยปัญญานะมันอยากได้ด้วยอวิชชาอยากได้แล้วก็แสวงหาไปในทางทุ จ, จริตบางคนนะ่ะ เมื่อแสวงหาโดยทางสุจริตไม่ได้ก็แสวงหาไปในทางทุจริตเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้ได้สมบัติเหล่านั้นมานี่เรียกว่าความอยากได้มันประกอบไปได้วยวิชามันก็เป็นเหตุให้ได้ทําบาปอือย่างนี้เนะี่ชี้ให้เห็นว่าจะเป็นครือขัดก็าตามเป็นนักบวชกว็าตามถ้าไม่ฝึกขีดนี้ให้เข้มแข็ง ให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีแล้วมันก็ละบาปไม่ได้พูดกันง่ายๆนะแล้วก็บำเพ็ญบุญกุศลให้ยิ่งงขึ้นไปไม่ได้คนเราถ้าละบาปไม่ได้บำเพ็ญบุญให้เจริญขึ้นไปไม่ได้แล้วก็หาความสุขไม่ได้จะไปเอาความสุขมาจากไหนล่ะอันนี้เมื่อละบาปไม่ได้ บาปมันก็รบกวนจิตใจน ใ, ให้วุ่นวายเดือดร้อนอยู่อย่างนั้นแหละก็เรียกว่าผู้มีภาวนาให้เข้าใจไม่ได้หมายความว่าอ่ต้องนั่งสมาธิทุกครั้งทุกคราวไปจึงเรียกว่าภาวนาทําไม่นั่งสมาธิแล้วไม่ไม่ถือว่าเป็นภาวนา ไม่ใช่แล้งการภาวนาเนี่ยจึงไม่เลือกเพศนั่นแหละ mm hmm. ไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกสมัยไม่เลือกการ mm hmm. การใดก็เป็นการภาวนาทั้งนั้นเธอมีสติสมบูรเนยียควบคุมจิตตัวเองนี่นะให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีอย่าให้มันไปตั้งมั่นอยู่ในความชั่ว นี่เรียกว่าภาวนาถ้าผูใ้ใดทำได้อย่างนี้จะเป็นครือขัดหรือเป็นนักบวชก็เรียกว่าผู้มีภาวนาให้เข้าใจไม่ได้หมายความว่าต้องนั่งสมาธิทุกครั้งทุกคราวไปจึงเรียกว่าภาวนาทำไม่นั่งสมาธิแล้วไม่ไม่ถือว่าเป็นภาวนา ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกการนั่งขัดส ม, มาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงหลับตาแล้วตั้งสติให้แน่วแน่เพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปพยายามควบคุมจิตอยู่ภายในให้ตั้งมั่นลง อันนี้ท่านเรียกว่านั่งสมาธิมสมาธินี่แปลว่าตั้งมั่นกายก็นั่งนิ่งนิ่งมไม่เคลื่อนไหวไปมาทางไหนแล้วก็พยายามทำใจให้ตั้งมั่นลงไปนี่อย่าให้ใจมันวอกแวกอาศัยสตินี่แหละที่ใจมันไม่วอกแวกนั้นนะ ถ้าขาดสติแล้วใจนี่ไม่อยู่เลื่อนลอยไปอันนี้เมื่อเรานั่งสมาธิเพิกจิตใจในขณะที่นั่งอยู่นั่นเนะพิกจกตใจให้สงบพอสมควรแก่ความสามารถของตนได้อย่างไรแล้วก็จำอุบายอันนั้นไว้ตนเจริญกรรมฐานอะไร จิตจึงส ง, งอบอย่างนี้นะก็จำกรรมฐานอันนั้นไว้่อจากออกจากสมาธิไปแล้วก็ระลึกถึงกรรมฐานอันนั้นบ่อยๆกรวดดูใจตัวเองเพ่งดูว่ามันยังไม่ลืมเลือนในกรรมฐานนั้นหรือหรือว่าลืมเลือนไปเสียแล้วนี่ก็ต้องมันตรวจ ด, ดูเสมอพูดง่ายว่า อ่มันตรวจดูจิตของตอนเองไงมันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอยู่หรือหรือว่ามันเบื่อหน่ายต่อบุญดอกคุณนี้แล้วเนีเมื่อเพ่งดูตรวจดูเห็นว่าจิตของตอนตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณนั่นอยู่ไม่เบื่อไม่หน่ายเลยอมีแต่ปีติมีแต่ยินดีเ อ, อิบอิ่มอยู่ในบุญในคุณเพราะเป็นของวิเศษบุญทั้งหลายคุณทั้งหลายนั่นนะ เมื่อเกิดมีอยู่ในจิตใจของผู้ใดแล้วทำใจผู้นั้นให้เบิกบานผ่องใสให้สงบหพเย็ยนนี่เหตุนั่นนะจึงว่าเป็นของวิเศษนั่นแหละบุญคุณนี่นะก่อนเมื่อเราพยายามรักษาบุญกุศลนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ทุกอิรยิยาบถนั่งอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีเดินไปก็ดีนอนอยู่ก็ดี ก็พยายามมีสติคอยประคับประคองจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่าให้มันเอียงไปทางบาปอากุศลต่างๆ น, นี่นะอันนี้ท่านเรียกว่าภาวนาแบบนี้นะภาวนานี่พยายามรักษาบุญกุศลที่ตนบำเพ็ญมานั้นไม่ให้เสื่อมนี่คาว่าภาวนานะให้เข้าใจ <c oughs> เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ลำบากแบบนี้นะนันพอเมื่อเวลาเรานั่งภาวนาทำใจสงบทำบุญคุณพัตนาไกลต า, ยยานี้ให้เกิดขึ้นในใจเราใจเราก็สบายเมื่อออกจากภาวนาก็พยายามประคองใจที่สบายอยู่ให้สบายเลื่อยไป เมื่อเวลามีเหตุอันไม่ดีกระทบกระทั่งมามันก็ไม่วันไหวไม่ตื่นเต้ น, ตนง่ายๆนี่เพราใจที่มันสบายแล้วมันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณแล้วเรื่องอะไรแล้วมันจะไปตื่นเต้นกับเรื่องไม่ดีต่างๆเพราะของโร้นมันก็รู้สิบะ น, นี่นะเมื่อใจสงบใจสบายเย็นแล้วมันก็มีปัญญามองเห็น กิริยาอาการไม่ดีของคนอื่นนั้นว่าเป็นของชั่วร้ายเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดถือเอาไม่ควรหลงคนส่วนมากมันหลงนี่เมื่อเขาแสดงกิริยาอาการโกรธเคืองให้แกต่ตน เ, เกิดไม่พอใจทันทีแล้วโกรธตอบแล้วคุนเคืองตอบแล้ว นี่แหละเขาเรียกว่าคนลืมตัวลืมบุญลืมคุณความดีที่ตนทํามาอไม่มันโกรธกาอยู่เสมอแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละถ้าผูใ้ใดมันโกรธกาอยู่เห็นบุญเน้นคุณตั้งอยู่ในใจของตนอยู่เสมออย่างนี้นะเมื่อมีใครแสดงกิริยาการไม่ดีต่ออย่างนี้ตนก็รู้เท่าทันทีเลยอืเออเจ้านี้มันจะเอาความชั่วมาให้เรา เราไม่เอาแล้วความชั่วของใครสร้างขึ้นพูกนั้นก็รับเอาไปแต่เราจะไม่รับเอาความชั่วของใครในโลกอันนี้นะมีสติต่อสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะใจมันก็ตั้งมั่นอยู่ที่มันก็ไม่หวั่นไหวไม่ยึดไม่ถือเอาความชั่วของคนอื่นนะเอใครจะแสดงออกมายังไงก็ช่า ง, จ, งนะจะแสดงบทชั่ว พาดพิงมาถึงตนก็ช่างตนก็ไม่รับเอาเพราะมันชั่วก็ยังว่ามันของไม่ดีอย่างวัดถูภายนอกอย่างนี้นะเช่นอย่างว่าเขาเอางูพิษมายื่นให้อย่างนียเราจะเอาหรือจ้างก็ไม่เอาเพราะรู้ว่าเป็นงูพิษเมื่อไปจับมันจะกัดเอาอนั่นแหละจะไปเอาอะไรล่ะ อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อรู้ว่าความไม่ดีมันจะนามาซึ่งทุกข์เมื่อรู้ชัดอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เอาแล้วไม่รับแล้วอมเป็นย่งั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าการภาวนานี่เนี่ยมันดีอย่างนี้เลยอืมให้พากันเข้าใจอย่าปฏิเสธอย่าเข้าใจว่าคนอย่างเราเนี่ยมันทำไม่ได้หรอก ยัง ค, งคงล้องเรือนยังคลุกคีอยู่ด้วยลกูกด้วยเมียด้วยผัวยังคลุกคีอยู่ด้วยการได้งานทำมาหาเรื่องชีพจะไปมีแก่จิตแก่ใจได้มาภาวนาอย่างไงแล้วผู้ใดคิดอย่างนี้นะเดี๋ย ว, ว่ามันคิดไม่ถูกคิดไม่ถูกจริงๆเพราะว่า ไม่รู้ว่าชีวิตของตอนมัน ย, ยิ่งยุ่งเหยิงอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสนั่นจนเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ทุก ว, วันนี้ก็เพราะกิเลสเพราะไปยึดถือเอากิเลสไว้ไม่รู้ตัวนี่คนส่วนมากเป็นอยงั้นถ้าผูดด้ใดรู้ตัวว่าการยึดมั่นถือมั่นในกิเลสต่างๆวันนี้มันเป็นทุกข์จริงๆนี่เพราะฉะนั้นจําเป็นเราต้องเพียรละมันอื การละกิเลสไม่ใช่ว่าล ะ, ละทีเดียวแล้วมันหมดไปเลยหรือมันไม่มีเหลืออยู่ในจิตเลยนี่อันนั้นมันมันหมายเอาท่านผู้มีบุญบา ร, รมีเต็มบริบูรณ์แล้วเท่านั้นเนี่ยมันถึงละกิเลสทีเดียวแล้วหมดไปเลยผู้ใดที่ยังสั่งสมบุญกุศลสติปัญญายังไม่เต็มบริบูรณ์แล้วยไม่มีทางมันจะไปละกิเลสนั้น ทีเดียวลราหมดไปเลยน่ะเนาะ ม, มันละไปได้เท่าที่กําลังสติสมาธิกําลังปัญญาของเรามีเท่าไรอ ม, มันก็ละกิเลสบาปธรรมไปได้เท่านั้นนะให้เข้าใจอมเมื่อกําลังปัญญามันมีน้อยเท่านี้มันก็ละความชั่วไปได้เท่านั้นอย่างงี้นะละกิเลสไปได้เท่านั้น อันมันจะละให้ได้หลายกว่า น, นั่นมันละไม่ได้เพราะกำลังมันอ่อนเหมือนอย่างคนมีกำลังน้อยอย่างเงี้ยจะไปปล้ำกับคนมีกำลังมากให้เขาล้มลงเนี่ยมันจะล้มได้ยังไงอ่ะตัวเองนั่นแหละล้มลงอ่ะอเพราะว่าตนกำลังน้อยสู้เขาไม่ได้ผู้ใดรู้อย่างนี้ละก็จึงพยายามสั่งสมบุญกุศล อบรมสติปัญญาให้แก่กล้าขึ้นในตนเรื่อยๆไปมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะมันต้องรู้ตัวอย่างนี้คนเรามันถึงได้ขยันทำความดีแหลือภาคเพียรละโมชั่วออกจากตัวถ้าไม่รู้ตัวอย่างนี้แล้วมันก็เฉยเมยแน่เอ้ยไม่ทราบว่าจะทำไปทำไมทำความดีไม่เห็นได้อะไรหาเงินดีกว่ามันว่า นั่นน่ะเรียกว่ามันเข้าใจผิดนะเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะเข้าใจผิดอย่างนั้นเพราะว่าเราเป็นชาวพุทธเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าพราะพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงมีพระปีชาปัญญาฉเฉลียวฉลาดมากทีเดียวเลยมากกว่าคนและเทวดาทั้งหลายคำสอนที่พระ อ, องค์เจ้าแสดงออกมานี่นะนี่แหละให้เข้าใจ พระองค์แบ่งปัญญาให้พวกเราที่เป็นชาวพุทธที่เป็นบริษัทของพระองค์แท้ๆพระองค์ไม่ได้หวงปัญญาพระองค์ไว้มีเท่าไรพระองค์เปิดออกมาหมดเลยนะดือนั้นพวกเราที่เป็นพุทธบริษัทของพระองค์ก็ต้องน้อมรับเอาสารปัญญาขุนของพระองค์เข้ามาใส่ใจของตนไว้ เออก็หมายถึงรับเอาคําสอนนั่นเนี่ยเรียนท่องจําเอาคําสอนของพระองค์เข้ามาไว้ในใจนี้อืแล้วเมื่อจําคําสอนได้แล้วก็มันก็มีปัญญามันก็มีอุบายนั่นเองกระสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้แหละให้มันละสิ่งที่ควรละละความโลภความโกรธความหลงหมดนี่ มันต้องอาศัยอุบายปัญญาทั้งนั้นแหละมันถึงละได้แต่ปัญญานี้ต้องเกิดจากสมาธิต้องทำสมาธิทำฝึกใจให้ตั้งมั่นดังแนะนํนนำมาแล้วนั่นแหละเมื่อเมื่อใจตั้งมั่นแล้วก็หาอุบายปัญญาสอนใจของตนให้ละกิเลสเหล่านี้แหละสอนใจให้ละความยึดถือขันธ์ว่าเป็นตัวเป็นตนลงไปเมื่อสอนไปแล้วก็ปล่อยวาง ให้ใจมันรวมลงเป็นหนึ่งนี่เราก็รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้อย่าให้เสื่อมมันจะได้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมา